นวโกวาดธรรมวิภาคขี่ปฏิบัติปัญจกะหมวดห้าข้อประโยชน์เกิดแต่การถือโภคสั์ห้าอย่างสแสวงหาโคพคสั์ได้โดยทางที่ชอบแล้วหนึ่งเลี้ยงตัวมารดาบิดดาบุตรพันยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข 2. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขสาม บําบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆสธรรมพลีห้าอย่างคือญาติพลีสงเคราะหญาติอิติฐิพลีต้อนรับแขกปุพเพเตตะพลีทำบุญอุทิศให้ผู้ตายราชพลีถวายเป็นหลวงมีภาษีอากรเป็นต้นเทวตาพลีทำบุญอุทิศให้เทวดา 5. บริจาคทานให้สมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบศีห้าหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 2. อ, อธินาทานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยสาม กาเมสุมิชาจาราเวรามาณีเว้นจากประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทาเวรามาณีเว้นจากพูดเท็จ 5. สุราเมรยัมัชฌะปมาทฐานาเวรามาณีเว้นจากดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทศีลห้าประการนี้ขฤรืหัดควรรักษาเป็นนิสัย มิจฉาวานิจชาคือการค้าขายที่ไม่ชอบทำห้าอย่างหนึ่งค้าขายเครื่องประหารสองค้าขายมนุษย์สค้าขายสัตว์เป็นสำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหารสค้าขายน้ำเมาห้าค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ เป็นข้อห้ามอุบาสกไม่ให้ประกอบสมบัติของอุบาสกห้าประการ 1. ประกอบด้วยศรัทธา 2. มีศีลบริสุทธิ์ 3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล 4. ไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา ห้าบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาอุบาสกพึงตั้งอยู่ในสมบัติหประการและเว้นจากวิบัติหประการซึ่งวิบริตจากสมบัตินั้นขี่อิปฏิบัติจักกะหมวดหข้อทิฏหกหนึ่งปุรัติมทิฏคือทิฏเบื้องหน้า มารดาบิดาสองทักคินาทิตคือทิศเบื้องขวาอาจารย์สามปัจฉิมาทิตคือทิศเบื้องหลังบุตรพัญยาสี่อุตราทิตคือทิศเบื้องซ้ายมิดห้าเหติมาทิตคือทิศเบื้องตำ่ำเบาหก อุปริมาติคือทิศเบื้องต้นสมณะพราหมณ์ปุรัติมาติคือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าหนึ่งท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ 2. องทำกิจของท่าน 3. ดํดำรงวงสกุลสประพฤต ตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านมารดาบิดาได้รับบำรุงชะนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้าหห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิละปะวิทยา 4. หาพันยาที่สมควรให้ 5. บอบทรัพย์ให้ในสมัยทักคิณทิศคือทิศเบื้องขวาอาจารย์สิทธพึงบำรุงด้วยสถานห้าหด้วยลุกขึ้นยืนรับ 2. ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยเชื่อฟังส่ ด้วยอุปัฏฐาก 5. ด้วยเรียนศินลปะวิทยาโดยเคารพอาจารย์ได้รับบำรุงชนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสถาน5 1. แนะนำดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอาพราง 4. ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง หาทำความป้องกันในทิศทั้งหลายคือจะไปทางทิศไหนก็ไม่อดอยากปัจจิมิทิศคือทิศเบื้องหลังพันยาสามีพึงบำรุงด้วยสถานห้าหนึ่งด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นพันยาสองด้วยไม่ดูหมินสด้วยไม่ประพฤติล่วงใจ 4. ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ด้วยให้เครื่องแต่งตัวพัญญาได้รับบำรุงชนนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้า 1. จัดการงานดี 2. ส, สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี 3. ไม่ประพฤติล่วงใจผัวส รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงอุตรทิตคือทิศเบื้องซ้ายมิตรกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าหนึ่งด้วยให้ปัน 2. ด้วยเจรจาถ้อยคำไพเราะส ด้วยประพฤติประโยชน์ 4. ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอ 5. ด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความเป็นจริงมิตรได้รับบำรุงชันนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน5 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ 5. นับถือตลอดถึงวงของมิตรเหตุิมะทิตคือทิศเบื้องตำ่ำาบาวนายพึงบำรุงด้วยสถานห้าหด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ด้วยให้อาการและรางวัล 3. ด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ 4. ด้วยแจกของมีรถแปลกประหลาดให้กิน 5. ด้วยปล่อยในสมัยบ่าวได้รับบำรุงชนนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน5 1. ลุกขึ้นทำการงานก่อนนาย 2. เลิกการงานที่หลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทํทำการงานให้ดีขึ้นนํานำคุณของนายไปสันเสริญในที่นั้นๆอุปริมาติคือทิศเบื้องบน สมณพรามณ์คุรบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าหนึ่งด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมนโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือไม่ได้ห้ามเข้าบ้านเรือน 5. ด้วยให้อามิสสถานสมณะพรามได้รับบำรุงชนิ้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน 6. หกหห้ามไม่ให้กระทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดีส อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 5. าทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่ม 6. บอกทางสวรรค์ให้อบายมุก ค, คือเหตุเครื่องชิบหายหกหนึ่งดื่มน้ำเมา 2. เที่ยวกลางคืน สเที่ยวดูการเล่นสเล่นการพนันหคบคนชั่วเป็นมิตร6เกียดคร้านทำการงานดื่มน้ำเมามีโทษหกหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาทสาเกิดโรคสต้องติเตียน ห้าไม่รู้จักอายหกอนกำลังปัญญาเที่ยวกลางคืนมีโทษหกหนึ่งชื่อว่าไม่รักษาตัวสองชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียสามชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติสี่เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายห้า มักถูกใส่ความหกได้ความลาบากมากเที่ยวดูการเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปดูหกหนึ่งรำที่ไหนไปที่นั่นสองขับร้องที่ไหนไปที่นั่นสามดิสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นสเสภาที่ไหนไปที่นั่นห้า เพลงที่ไหนไปที่นั่นหเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นเล่นการพนันมีโทษหกเมื่อชนะย่อมก่อเวรเมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปทรัพย์ย่อมชิบหายไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย คบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษตามบุคคลที่คบหกนำให้เป็นนักเลงการพนันนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้นำให้เป็นนักเลงเหล้านำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอมนำให้เป็นคนลวงเขาซึ่งหน้านำให้เป็นคนหัวไม้เกียรติคร้านทำการงานมีโทษหก มักให้อ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทําการงานมักให้อ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทําการงานมักให้อ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วไม่ทําการงานมักให้อ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทําการงานมักให้อ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทําการงานมักให้อ้างว่ากระหายนัก แล้วไม่ทำการงานผู้หวังความเจริญได้โภคทรัพย์พึงเว้นเหตุเครื่องชิบหายหกประการนี้เสียจบเสียงอ่านหนังสือนวโกวาด